อาาร์ท่านสาวตจวจอ์พระธบราชอุบาาโสอมบาเสกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันที่20มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นวันพระวันธรมวันสวนาะวันฝังธรรมวันที่ พระพุทเจ้าได้ทรงกําหนดให้พุทธศาสนิกชนศรัทธายาโยมอุบาสอุบาสิากาได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกเพื่อจะได้มาทําภารกิจทางธรรมเพราะภารกิจทางธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์มากกว่าภารกิจทางโลก ากคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากภารกิจทางโลกเป็นคุณประโยชน์ชั่วคราวคือหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถใช้คุณประโยชน์ที่เราหามาได้เช่นลาบยศสารเสริญสุขเป็นคุณประโยชน์ชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่ แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาลาบยศสารเสริญสุดไปกับเราได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างคุณประโยชน์ทางธรรมเพราะคุณประโยชน์ทางธรรมนี้มีประโยชน์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปเราก็สามารถ เราติดตัวไปกับเราได้คือความสุขที่เราจะได้รับจากการมาทำภารกิจทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พุทธบริษัทได้หมันทำกันอย่างสม่าเสมอเราจะได้ประโยชน์สองต่อได้ความสุขสองต่อได้ความสุขทางจิตใจ ในขณะที่มีชีวิตอยู่และได้ความสุขทางจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วได้ไปเกิดที่ดีกว่าเดิมและถ้าสามารถสร้างคุณประโยชน์ได้ระดับสูงสุดก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ต่ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นกองทุกข์ที่พวกเราไม่ปรารถนากันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ทุกคนที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปคนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือคนที่ไม่มาเกิดเท่านั้น เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสามารถสร้างคนประโยชน์อย่างสูงสุดท่านก็เลยได้รับคุณประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราก็สามารถที่จะรับคุณประโยชน์อย่างสูงสุดนี้ได้ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามเช่นวันพระท่านสอนให้เราเข้าวัดกันมาทำบุญทำทานกันใส่บาตรถวายสังฆทานหรือถวายปัจจุประใจค่าน้ำค่าไฟค่าบุญละนะซ่อมแซมวัดวาอารามนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทาน แล้วก็ให้เรามารักษาศีลกันถ้ายัางไม่เคยรักษาศีลห้าก็มารักษาศีลห้ากันถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วในวันพระก็มารักษาศีลแปกันเพราะการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับเรียนหนังสือที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปชั้นต่ตางๆตามลำดับตอนต้นเราก็เรียนปหนึ่ง ต่อไปเราก็เรียนป .2 ป .3 พอจบปแล้วเราก็ขึ้นม .1 ม .2 ไปพอจบมแล้วเราก็ขึ้นอุดมศึกษาไปเรียนปตีปโทปอเอกต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติทำทำเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ก็ต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับทําบุญทําทานให้มากขึ้น รักษาศีลให้มากขึ้นเช่นจากศีลหก็ไปศีลสิศีล8ปดศีล8ก็ไปศีลสิศีล10ก็ไปศีลสองหรือศีล300กว่าซึ่งเป็นศีลของภิกษุณีถึงแม้ว่าในยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็เป็นได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณีไปไม่ต้องบวช บวชหรือไม่บวชนี่ไม่สำคัญสำคัญว่ารักษาศีลของภิกษุณีหรือของภิกษุได้หรือเปล่าถ้าบวชแล้วรักษาศีลของภิกษุไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นภิกษุอยู่ดีถึงแม้ไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ถ้าได้รักษาศีลของภิกษุณีก็ถือว่าได้เป็นภิกษุณีแล้วเพราะภิกษุณีหรือภิกษุนี้ อยู่ที่ศีลไม่ได้อยู่ที่การบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนศีศรษะอันนี้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเองเป็นเปลือกเป็นเครื่องแบบเหมือนกับทหารเรือฐหารอากาศฐหารบกเขาก็มีเครื่องแบบต่างกันไปและต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำไม่เหมือนกันถ้าไม่ทำหน้าที่ตามเครื่องแบบก็ไม่ได้ถือว่าเป็น ทหารบกฐานเรือหรือฐานอากาศจะเป็นฐานได้ก็ต้องทำหน้าที่ของทหารให้ครบถ้วนถ้าไม่ทำหน้าที่เขาก็จะปลดออกจากการเป็นทหารถ้าไม่รักษาศีลของพระเขาก็จะจับศึกลาศิกขาไปฉันั้นการเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีเป็นสามเณร ไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพียงอย่างเดียวอยู่ที่การมีศีลของส ม, มามเณมีศีลของภิกษุมีศีลของภิกษุณีหรือไม่อันนี้พูดเพื่อให้กำนงใจศรัทธาญาติโยมผู้หญิงที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีแต่สมัยนี้เขาไม่มีการบวชภิกษุณีแล้วเราก็ยังสามารถเป็นภิกษุณีได้ ไปเปิดหนังสืออ่านสีนของภิกษุณีสามร้อยกว่าข้อนิ้วว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็รักษาไปและก่อนจะเป็นภิกษุณีนี้ต้องทำอะไรบ้างภิกษุณีนี้ต้องเป็นรักษาสีสิบอย่างน้อยสองปีไม่ให้ขาดถ้าขาดก็ต้องเริ่มต้นใหม่เช่นรักษาสีนมาได้ปีครึ่งแล้วมาขาดก็ต้องมารับ นับเริ่มต้นใหม่รักษาศีลสิสให้สะอาดบริสุทธิ์ไปถึง2ปีแล้วก็จะถือศีล300กว่าข้อของภิกษุณีได้อันนี้พูดในกรณีที่ว่าอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็เป็นภิกษุณีด้วยศีลเครื่อนนุ่งหม่มแล้วก็นุ่งห่มปกตินุ่งขาวก็ได้นุ่งขาวแบบไม่ฉีนุ่งขาวกนศีษะ ก็เหมือนกันต่างกันตรงไหนสีขาวกับสีกลามันก็เป็นแค่สีเท่านั้นเองมันเป็นเพียงเครื่องนุ่งหง่มมันไม่ได้ประกาศความเป็นพิษุนีหรือเป็นแม่ชีแม่ชีก็เพียงแต่ศี้อสินแหรือถือศินสิถ้าอยากเป็นพิษุนีก็เพิ่มสินไปเป็น300กอกว่าข้อส่วนเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนที่ศีลต่างหาก นี่คือเรื่องของศีลที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราบำเพ็ญกันเพราะศีล น, นี้จะเป็นเหมือนกับบันไดขั้นบันไดที่เราต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับถ้าเราอยากจะได้รับคุณประโยชน์ทางธรรมได้รับความสุขได้รับความเจริญทางจิตใจเราต้องพัฒนา การปฏิบัติของเราให้มากขึ้นการทาบุญทาทานก็เป็นขั้นแรกที่จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สก็คือการทำใจให้สงบเรียกว่านั่งสมาธิไหว้พระสวดมนเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เรียกว่าขั้นที่สาม พอได้ขั้นที่สามก็ให้ขึ้นสู่ขั้นที่4่ขั้นที่4ี่ก็คือให้เจริญวิปัสนาให้เจริญปัญญาให้มองความจริงตามความเป็นจริงอย่ามองความจริงตามความอยากเพราะตามความอยากของเราจะมองความจริงไม่ตรงกับความจริงจะมองความจริงตรงกันข้ามกับความจริง ถ้าเรามีความอยากเราจะมองร่างกายนี้ว่าเที่ยงเพราะเราอยากให้มันเที่ยงเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราพยายามที่จะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพื่อที่เราจะได้หลอกตัวเราว่าร่างกายนี้เที่ยงร่างกายจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมัน เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราก็จะลืมแล้วเราก็จะไปคิดว่ามันเที่ยงและเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอมันแก่ขึ้นมาปั๊บก็ตกใจพอดูหน้าในกระจกอ่าหนังเหี่ยวซะแล้วผมเริ่มออกสีขาวซะแล้วก็ตกใจแล้วกลัวแล้ว เวลาไม่สบายหน่อยก็ตกใจแล้วโอ้ยเป็นอะไร ต, ะตายหรือเปล่านี่เริ่มกลัวเริ่มทุกขึ้นมาแล้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเราก็เลยทุกเวลาที่เราต้องเจอกับของจริงแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญาคอยสอนใจคอยเตือนใจโดยเรื่อยๆว่า ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราต้องพัดพลาดจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักไปเป็นธรรมดาถ้าเราท่องอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ลืมเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยรับกับความตายรับกับการพัดพลาดจากกัน พอเราต้องแก่เราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเราทําใจได้แล้วว่าเราต้องแก่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เฉยๆไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเรายอมรบับว่าเราต้องแก่ต้องเราต้องเจ็บแล้วพอเราจะตายเราก็จะตายอย่างสงบตายอย่างไม่วุ่นวายตายอย่างไม่เดือดร้อนเพราะเราทําใจได้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตาย แต่เราก็จะรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราตอนนี้ไม่รู้กันก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่เป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้กับเรามาเราเป็นใจเป็นผู้มารับเวลาที่ปฏิสนธินะเป็นเวลาที่พ่อแม่กำลังสร้างร่างกายให้กับเราแล้วเราเป็นดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณ เราก็มาเกาะกับร่างกายที่พ่อแม่สร้างให้กับเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆแต่ไม่มีใครสอนเราไม่มีใครบอกเราทุกคนก็สอนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรากันเราก็เลยรักและหวงร่างกายจึงไม่ยอมมองความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มองความจริงมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะเราจะอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันไม่ตายแต่ถ้าเรามองความจริงว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราจะรู้ว่าอยากไปแล้วทุกไปเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิม นี่คือวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราห <c oughs> มั่นศึกษาหมั่นพิจารณาอยู่เ <c oughs> นืองๆ <c oughs> แล้วรับรองได้ว่าเวลาที่เราเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพลาคจากกันเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีวันตาย ใจของเราไม่มีวันตายมีแต่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเท่านั้นเองถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้เราก็ยังจะต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลกรรมแต่ถ้าเราทำบุญทาทานอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเรารักษาศีลกันเราก็จะไปรับผ ล, ผลบุญกันไม่ต้องไปรับผลบาป เราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อหรือจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือจะไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าไปพระนิพพานกันเกิดจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาทำหน้าที่มาปฏิบัติธรรมตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนในวันพระมาทำบุญทมทามมารักษาศี มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันจบจะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยา เป็นบุตรเป็นที่ดาเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นลาภยศสารเสริญสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเท้านั้นมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปถ้าเราหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยใจของเราก็จะไม่ยึดไม่ติดจะไม่มีความอยากให้เที่ยงจะไม่มีความอยากให้เป็นของเราไปตลอดแล้วพอ เกิดการพัดผ้าจากกันเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์กันแล้วเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้นี่คือประโยชน์สุดที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาทาหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้เราทำ คือมาสร้างธรรมะกันสร้างประโยชน์สุขให้กับใจสร้างบุญกุศลด้วยการทำทานสร้างศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายกันถ้าเราไม่รักษาศีลตายไปเราจะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายไปตกนรกถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดบเดิมสุรายามังแต่ถ้าเรามารักษาศีลกันอย่างวันนี้เราก็จะมีประกันภัย เ, เหมือนกับซื้อประกันภัยเวลาเราซื้อประกันภัยเวลาล้เราชนประกันภัยเขาก็จะรับผิดชอบฉันใดถ้าเรารักษาศีลพระพุทธเจ้าก็จะรับผิดชอบรับประกัน ว่าตายไปไม่ต้องไปเป็นหูเป็นแมวไม่ต้องเป็นนกเป็นกาไม่ต้องเป็นไก่เป็นเป็ดไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรยไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกพระพุทธเจ้ารับประกันตอนที่เมื่อกี้ขอสีนกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสี่เลนะสุกติยันติผู้ที่รักษาสีได้ย่อมไปสู่สุขติโดยถ่ายเดียว สุขติก็คือที่เกิดที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาอินพรหมและพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าอยากจะไปสุขติต้องรักษาศีลให้ได้ถ้าไม่รักษาศีลก็จะต้องไปอบายไปอยู่กับเดรัจฉานกับเปรตกับอสุรกายหรือไปตกนรกนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตายไปแล้ว ขณะที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขสบายใจถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตารวจเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไปทำบาปไปลักขโมยหรือไปค้ายาเสพติดเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะตกใจ ท, ทันทีคิดว่าเขาจะมาจับเรา เราจะมีความรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นสุขเป็นเหมือนวอัวสำนัหวะมีแผลพอมีอะไรมาแตะหน่อยก็เจ็บขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี้เราจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับใครเลยเราจะรู้สึกเฉยเฉยเจอตำรวจก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดศีลอะไร ี่คือประโยชน์สุขที่เราได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หนังตากที่เราตายไปก็ไม่ต้องไปอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำเพียงแต่รักษาศีลเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์แต่เราได้กลับมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานด้วยอย่างวันนี้มาใส่บาตรทำบุญทำทานสวายสังฆทานแล้วรักษาศีลถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อย ตายไปเราก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพไปเสพลูกทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันแล้วถ้าเรามาถือศีลแปดได้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เวลาเราตายไปเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าเป็นโรงแรมก็เป็นโรงแรมระดับห้าดาว โรงแรมชั้นเทพนี่กระดับหนึ่งดาวสองดาวการบริการไม่เท่ากันความสุขไม่เท่ากันและประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำนอกจากที่ไปสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เงินทองที่เราทำบุญทำทานนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาเบิกได้เราก็จะมาเกิด ร่ำรวยมีฐานะดีไม่ยากจนเพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญและขณะในปัจจุบันตอนที่เรายังไม่ตายเวลาเราทำบุญแล้วเราก็มีความสุขใจอิ่มใจมีความสบายใจนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการมาสร้างมาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆทำบุญทาทานรักษาศีล รักษาศีลห้ารักษาศีล8ปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองรอยยีิเจ็ดรักษาศีลสามอยกว่าข้อจะทำให้เราได้รับประโยชน์สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีความสุขยิ่งกว่าการได้ร่วมหลับนอนกับแฟน เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายนั่นเองแล้วถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะสามารถดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาโกบนสวรรค์ชัน้นนิพพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตการมีความสุขไปตลอดไม่เหมือนกับพวกเราที่ตอนนี้มีแต่สุขสุขดิบด สามวันดีสี่วันไข้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดอนันตกาลตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็มาสุข ส, ขสขุดิบดิบใหม่สุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปจนวันตายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าสู่ธรรมระดับวิปัสสนาได้เข้าสู่ธรรมะระดับปัญญาเพื่อละตัณหา ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้าไม่ตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าของภาษาวกนี้มีแต่บรลมมาสุขตลอดเวลาส่วนพวกเรานี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสุดให้ได้ ขั้นวิปัสนาก่อนจะเข้าสู่ขั้นวิปัสนาได้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นสมาธิก um ่อนก่อนจะเข้าสู่ขั้นสมาธิได้ก็ต้องรักษาศิ้นแปดสิ้สิิ้นสอี่สิบข้อหรือศิ้นสากว่าข้อให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศิ้นแปได้ก็ต้องรักษาศีลนห้าให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศิ้นห้าได้ก็ต้องทําบุญทําทานให้ได้ก่อน นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราควรที่จะทําไปตามขั้นต่างตอนเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็เรียนตามขั้นตามตอนแล้วถ้าเราข้ามขั้นเราจะเรียนไม่จบเพราะเราจะสอบตกเพราะเราไม่มีกําลังที่จะไปสอบได้ถ้าขั้นขั้นต่ําเรายังเรียนไม่ได้แล้วเราจะข้ามขั้นไปเรียนขั้นสูงได้อย่างไรนี่คือ เหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทาบุญทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาเป็นขั้นๆไปถ้าเราทำตามขั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำได้ทุกขั้นแล้วเราก็จะได้รับผลที่เราต้องการกันคือได้รับประโยชน์ได้รับความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปนี่คือประโยชน์ สุขที่เราจะได้รับจากการมาวันมาปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธขอให้พวกเราพยายามทำกันไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้รับประโยชน์สุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนได้รับอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญท่านในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเท